บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์หาไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้ภิกษุทั้งหลายผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยองค์หาไม่ควรพยาบาลคนไข้คือ 1. ไม่สามารถจัดยา 2. ไม่รู้จักของสแสลงและไม่สแสลงคือนำของสแสลงเข้าไปให้